เวลาหาดรู้สึกตัวนะพอเรารู้สึกตัวเป็นแล้วเริ่มรู้สึกเป็นนะใจมันหนีไปเรารู้ทันใจหนีไปรู้ทันความรู้สึกตื่นมันเกิดขึ้นพอความรู้สึกตื่นมันเริ่มเกิดขึ้นนะเราจำได้พอจำได้นะมันจะจงใจทำให้เกิดคล้ายๆไปประคองความรู้สึกตัวไว้ใจมันจะนิ่งๆทื่อๆไปนิดนึงเหมือนรู้สึกนะแต่ใจแข็ ง, ขง ถ้าเหมือนรู้สึกแต่ใจแข็งแขงเนี่ยยังไม่ใช่ของจริงมันทำขึ้นมาพระโลบนึกออกไหมมันคล้ายๆตื่นนะแต่ว่ามันไม่สดชื่นมันแข็งแข็งให้เราทำไปตามธรรมชาติธรรมดาจิตหนีไปคิดรู้จิตหนีไปคิดรู้รู้สบายๆนะมีเครื่องอยู่มีวิหารธรรมไหมพุโทโธลมหายใจอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกใครถนัดกรรมฐานอะไรก็าอา น, นั้นแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิด รู้บ่อยๆนะใจมัจะค่อยๆตื่นขึ้นมาเป็นธรรมชาติตื่นแบบธรรมชาตินะใจจะเบาใจจะอ่อนโยนใจจะนุ่มนวลใจจะคล่องแคล่วว่องไวปราดเปลี่ยวนะใจจะซื่อในการรู้อารมณ์รู้เราไม่เข้าไปแรกแซงนะแต่ถ้ามันไปจําสภาวะแห่งความตื่นไว้ไปจแล้วเราจงใจสร้างขึ้นมานะแรกเลยเราโลภมีความโลภแต่มองไม่เห็น พอมีความโลภเกิดขึ้นก็จงใจประคองรักษาไว้พอประคองรักษาไว้เนี่ยใจจะนิ่งๆแข็ ง, ขงๆทื่อๆไม่เบาละรู้ตัวอยู่นะแต่ไม่เบาจะหนักๆแข็งๆเครียดๆแล้วเหนื่อยเหนื่อยไม่เหนื่อยรู้สึกตัว <c oughs> ดูตรงนี้ก็ได้ดูถ้ารู้สึกตัวแบบเป็นธรรมชาตินะไม่เหนื่อยจิตใจโปร่งโล่งเบาสว่างสวัย ถ้าจงใจรู้สึกขึ้นมามนจะเหนื่อยคล้ายๆคนหัดขับรถใหม่ๆยังขับรถไม่เป็นจนะมีความรู้สึกว่าขับรถนี่มันยากเดินสบายกว่าพอขับรถเป็นแล้วจะรู้สึกว่าขับรถสบายกว่าเดินจนนี้ใส่เสียนะไปที่ใกล้ๆก็ไม่เดินละคนหัดรู้สึกตัวก็เหมือนกันที่แรกจะรู้สึกว่าการรู้สึกตัวยากต้องฝืนต้องบังคับ แต่พอรู้สึกตัวเป็นแล้วต่อไปเนี่ยมันสบายสบายกว่าหลงตอนที่ยังไม่คุ้นเคยกับความรู้สึกตัวเนี่ยจะรู้สึกว่าหลงสบายกว่าเหมือนยังขับรถไม่เป็นนะรู้สึกเดินสบายกว่างั้นเวลาเราหัดรู้สึกนะหัดไปตามธรรมชาติธรรมะเนี่ยรีบร้อนไม่ได้ธรรมะรีบร้อนไม่ได้ค่อยฝึกทุกวันทุกวันไป ทำเหตุพอสมควรในระยะเวลาที่พอสมควรแล้วมันก็ได้ผลนะเหมือนคนตั้งท้องออกลูกนะจะรีบออกไม่ได้อะการปฏิบัติธรรมก็เหมือนตั้งท้องนะอย่ารีบร้อนดูแลรักษาจิตของเราไปเรื่อยมีสติคอยคุ้มครองไปมีใจตั้งมั่นใกล้ๆมีท้องก็อย่าไปหกล้มอะคอยดูแลเรื่อยๆไปถึงวันที่เขาพอนะ เราก็ถือกำเนิดขึ้นมาเราก็จะเกิดใหม่เกิดใหม่ในชื่อเดิมแต่เป็นคนใหม่แล้วไม่ใช่คนเก่าแล้วทางร่างกายเราก็เป็นลูกของพ่อของแม่เราแต่ทางใจเราจะเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราได้เกิดใหม่อีกทีหนึ่งละงั้นมีโอกาสที่จะได้เป็นลูกพระพุทธเจ้านะาเราได้ฟังธรรมค่อยๆฝึกไม่ขี้เกียจ ปัญหาใหญ่ของผู้ปฏิบัติก็คือขี้เกียจนะ่ะ ท, ท้อแท้ทำนิดนิหน่อยๆ ห, หวังจะได้ผลพอไม่ได้ผลก็ลท้อแท้ใจอีกพวกหนึ่งก็ทำบ้างไม่ทำบ้างเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไว้แก่ๆ แ, แล้วค่อยภาวนาตอนนี้ยังหนุ่มยังสาวขอเพลินอยู่กับโลกก่อนขอใช้วันเวลาให้คุ้มค่าที่ได้เกิดมาหน่อยโง่หลายเราพเคยเจอ กรูบาอาจารย์องค์ท่านพูดน้าฟังนะท่านบอกว่าเออบวชตั้งแต่หนุ่มหนุ่มดีนะอื<ม>ปฏิบัติธรรมก็ทำตั้งแต่อย่างหนุ่มอย่างสาวยังมีเรี่ยวมีแรงช่วงชีวิตวัยหนุ่มวัยสาววัยเด็กอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่เติบโตแข็งแรงนะเป็นช่วงวัยที่ดีที่สุดเลยพอถัดจากช่วงเป็นหนุ่มเป็นสาวไปแล้วนะเริ่มสุดโทมแนละ้ว เทียบกับของกินของใช้ก็เป็นของที่เริ่มเก่าใช้ไม่ได้จริงไม่ดีท่านบอกว่าคนเราสมัยก่อนนะเวลาจะถวายของกับพระเนี่ยจะเลือกของดีไปถวายพระก่อนะงั้นเราเอาของดีถวายพระเอาช่วงเวลาที่เรายังแข็งแรงอยู่นี่แหละมาปฏิบัติธรรมอย่าไปรอจนแก่นะรอจนแก่เดินก็เดินไม่ได้นั่งนานก็ไม่ได้นอนนานก็เมื่อย ใจมันค่อยหงุดหงิดหงุดห ง, ง, ง, ง, งิดเลยภาวนายากแต่ถ้าคนไหนมาเริ่มตอนแก่ก็อย่าเสียใจต้องคิดว่าดีกว่าไม่เริ่มเลยคนแก่มาภาวนาแล้วได้ผลดีก็มีอย่างพระมหากัสปะมาบวชตั้งอายุหกสิบนี่ไหมลวงตาผนึกก็บวชอายุหกสิบไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าบวชอายุมากก็ภาวนาต้องสู้หนักหน่อย มันไม่แข็งแรงเท่าคนหนุ่มคนสาวงั้นเราหัดภาวนาตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆเนี่ยดีหนูพ่อหัดตั้งแต่อายุอย่างน้อยนะตอนเข้าไปหาครูบาอาจารย์ตอนนั้นจริงๆไม่น้อยละแต่ฝึกมาแต่เด็กเนี่ยเจขวบแต่ตอนที่เข้าไปหาหลวงปู่ดูลเนี่ยยีแล้วฝึกสมถะอยู่22ปีถึงได้เริ่มมีโอกาสเข้าไปหาครูบาอาจารย์ได้ทํางานแล้วล่ะ พื่อตัวเองได้ล้ไปไหนมาไหนได้ละก่อนนั้นเราเด็กนะไปไหนไม่ได้เด็กโบราณไม่เหมือนเด็กเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> <c oughs> เด็กเดี๋ยวนี้นึกจะไปไหนก็หายไปเลยนะพ่อแม่ก็ไม่รู้ไปไหนลูกหายไปตั้ง3าวันบางทีพ่อแม่ยังไม่รู้เลยเพราะพ่อแม่กับลูกมีเวลาอยู่บ้านไม่ตรงกันสมัยก่อนไม่ได้นะเขาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวอบอุ่นเยอะแยะเลยในบ้านมีทั้งหลายเจเนอเรชั่น ไปไหนลำบากนะหนีไปตำปังลาพังยากยักว่าจะไปหาครูบาอาจารย์ได้นะแรกเลยต้องพึ่งตัวเองได้อีกอันหนึ่งก็คือเพิ่งจะรู้ว่าครูบาอาจารย์อยู่ที่ไหนบ้างมารู้ตอนตอนที่รู้ก็เริ่มออกหาเลยแต่เดิมนึกว่าหลวงปู่ดูลเนี้ยสิ้นไปนานแล้วนี่รู้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ได้ออกไปหาท่านไปหาแล้วภาวนา ภาวนามาตลอดไม่เลิกนะทำทุกวันเลยฝึกทุกวันขนาดออกไปตอนอายุ29่นะไปหาหลวงปู่ดดนไปหาหลวงปู่เทศอะไรเนียพวกคุณป้าคุณยายในวัดนะตามวัดมีแต่ยายแก่ <c oughs> ทุกวัดเลยวัดคุูบาจารย์นั้นมีแต่ผู้หญิงสูงอายนะุเราเรียกว่ายายแก่ไม่งามจริง <c oughs> จริงแก่แต่ใครอย่าว่าเขานะ โกรธอย่างหินมักแป้ง น, นะคุณหญิงคุณนายเพียบเลยคุณหญิงบางคนก็ถือตัวนะยังมีเนนไปเรียกยายอุย้ยโกรธโกรธมากเลยไปฟ้องหลวงปูเ่เนนนี่ไม่มีสัมมาคารวะดิฉันเป็นคุณหญิงมาเรียกดิฉันว่ายายความจริงถ้าเรียกพี่จะไม่โกรธหรอกโกรธตรงเรียกยายอ่ะ อะไรโมเมว่าไม่เรียกคุณหญิงเลยโกรธนั้นหลวงพ่อเข้าไปนะหลวงปู่ท่านเลยสอนสอนเนรสอนอะไรท่านนะ่ะเจอเขาก็เรียกคุณหญิงสิเรียกไปเขาไม่โกรธหรอกถึงเกาไม่เป็นเขาก็ไม่โกรธนะห <c oughs> ลวงพ่อไปเข้าวัดนะอายุยี่สิบเก้าพวกคุณป้าทั้งหลายเห็นนะเรียกหนูหนู บางคนโปรดปรานเรามากเห็นเราเข้าไปหาหลวงปู่เรียกพ่อเทพประบุ <c oughs> <c oughs> เรียกขนาด น, นี้นะฟังเราลิเกมากเลยเรียก <c oughs> <c oughs> พ่อเทพประบุป้า น, นี้อาจจะยังอยู่มั้ป้าเหลายังอยู่แบบมั้งหรือตายแล้วป้าเหลาตายแล้วเอนี่เป็นคนคอยจัดดอกไม้ให้ถวายหลวงปู่ทุกวันบางทีเราก็ตามเกเข้าไปนะตามเข้าไปหาหลวงปู่ตอนเช้า นั่นเห็นไหมเข้าวัดตอนอายุยี่สิบเก้านะครูบาอาจารย์คนเท่าคนแก่ยังชมว่าดีเข้าแต่หนุ่มคำจริงเริ่มไม่หนุ่มแล้วนะี่พวกเราใครเกินยี่บ้าบ้างมีไหมยกมือซิโอเยอะนะใครเกินสามสิบยกซี่สามสิบแล้วก็ยังเยอะอีกนะใครเกินสี่สิบวะทำไมเยอะล่ะ <laughs> ดูหน้าตาแต่ละคนนอะอ้อๆทั้งนั้นเลย ไม่น่าไม่น่าเยอะขนาดนี้นะดูแล้วยังหนุ่มยังสาวนะเทียบกับที่อื่นนะยังหนุ่มยังสาวเยอะเลยนะดีที่สุดเลยเอาวันเวลาที่เรายังมีกำลังนะกาลังแข็งแรงร่างกายก็แข็งแรงสติปัญญาก็แข็งแรงร่างกายของคนเราเนี่ยแข็งแรงเต็มที่เลยนะตอนอายุ25สสติปัญญาของเราแข็งแรงเต็มที่เลยนะประมาณ35ห้า งั้นตอนที่พระพุทธเจ้าจัดสรู้เนี่ยกำลังแข็งแรงที่สุดเลยถ้าจัดสรู้แก่กว่านั้นคงลำบากละนี่พวกเราใครเกินสามสิบห้าแล้วเห็นไหมใครยังไม่ถึงสามสิบห้าเอางี้เอกพ อ, พอก็เยอะพอๆกันเนาะนี่ไม่ถึงหรอแน่ใจนะภาวนานะภาวนาข้ภาภาวนาตั้งแต่ยังมีแรง ภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ใช้ความคิดก็จริงนะแต่ว่าสมองก็จําเป็นถ้าสมองเสื่อมไปนะความปราดเปรียวในการพิจารณาสิ่งต่างๆความแยกใายอะไรเนี่ยมันลดลงนะนลดลงการปฏิบัติไม่ได้ใช้การคิดมากนีไม่ได้คิดมากก็จริงนะแต่ว่าถ้าสมองเสื่อมแล้วภาวนาไม่ได้เราภาวนาตั้งแต่สมองยังดีๆอยู่นะมันต้องใช้ความสังเกต สังเกตเดยอะเลยงั้นเวลาเราหัดภาวนานะสิ่งที่สำคัญมากเลยที่จะช่วยเราในการภาวนานมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งนะชื่อว่ากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยพวกเรามีเยอะนะเวลามาส่งกันบ้านหลวงพ่อนะชอบบอกเลยว่ากัลยาณมิตรสอนอย่างงั้นสอนอย่างนี้เราดูแน่หรือวะกัลยาณมิตรสอนมานละ้วเออเป็นลิงเป็นลิงจับหลักมาก็มีนะ นั่งกัลยาณมิตรสอนมากัลยาณมิตรนะก็คือคนที่เขาผ่านมาแล้วนะเขาช่วยเหลือเกื้อกูลนีเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นฆราวาดด้วยกันก็ได้นะแต่้เขาต้องเข้าใจจริงๆไม่ใช่เขาเดาๆเอาเนีนเลือกกัลยาณมิตรต้องเลือกเหมือนกันนะไปเลือกปาปรมิตรก็ปาปามิตรนี่มิตรบาปกับข้างกับกัลยาณมิตร ถ้าไม่รู้จักเลือกนะก็อันตรายภาวนาเพีย้ยนง่ายนอกจากกลยานามิตรซึ่งมาถึงยุคเราเนี่ยเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นกัลยาณมิตรจริงหรือไม่จริงพูดยากมากดู ด, ดูดูเหมือนดีพูดออกมาเนี้ยเป็นธรรมะเป๊ ะ, เ, ป ะ, เ, ปะเลยภาษาเหมือนกันแต่เนื้อในแตกต่างสภาวะต่างกันนะแต่พูดด้วยภาษาอันเดียวกันเลยก็มีนะยากมากเลยที่เราจะวินิจฉัยได้ถ้าเรา ฟังด้วยหูคิดด้วยสมองเนี่ยเราแยกไม่ออกอะอย่างเราได้ยินนะไปไหนเขาเขาบอกว่าให้ฝึกสติปัฏฐาน4ี่เคยได้ยินไหมไปไหนก็สติปัฏฐาน4ที่นี่ก็แนวสติปัฏฐาน4ี่ที่นี่ก็สติปัฏฐาน4ี่สี่หมดเลยไปไหนก็4หมดเลยแต่สไหนไม่รู้อะสภาวะมันแตกต่างกันนะพอลงมือปฏิบัติจริงให้รู้รูปนามตามความเป็นจริง ถึงเวลาก็ไปเพ่งรูปเพ่งนามนะโดยภาษาพูดเหมือนกั น, นเหมือนกันเปรียบเลยแต่โดยสภาวะไม่เหมือนเพราะเราต้องเรียนให้ถึงสภาวะแท้ๆให้ได้นะอย่าไปติดแค่ภาษาแล้วก็ไม่รู้ว่าภาษานั้นสื่อสภาวะอะไรอย่างบอกให้รู้รูปนามนก็ไปเพ่งรูปนามเนี่ยไม่ถูกหรือให้ไปคิดเรื่องรูปนามเนี่ยไม่ถูกบางคนบอกให้รู้รูปนามก็คือสอนให้ไปคิดพิจารณารูปนามเนี่ยไม่ใช่รู้รูปนาม ไม่ได้เห็นคำว่าวิปัสนาจริงๆต้องเห็นเห็นรูปนามเรพูดคำว่าเห็นเดี๋ยวเอาตาไปเห็นความจริงเราเห็นด้วยใจหลวงพ่อเลยไปใช้คำว่ารู้ถ้าใช้คำให้ถูกต้องใช้คำว่าเห็นคาว่าวิปัสนาวิปัสณะปัสนะว่าเห็นการเห็นวิเกอเห็นอย่างยอดเยี่ยมเห็นอย่างถูกต้องเห็นแจ้งเห็นจริงก็คือเห็นไตรัก เนี่ยบางทีเราได้ยินว่าฝึกวิปัสนาวิปัสนาจริงๆไม่ได้ทําวิปัสนาจริงๆทําสมถะนะแต่โดยภาษาแล้วบอกว่าวิปัสนามันยากมากนะที่เราจะสรุปเอาว่าคําสอนที่ใดถูกหรือไม่ถูกยากที่สุดเลยสิ่งสําคัญอันหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยเราได้ น, ะนอกจากกัลยาณมิตรแล้วก็คือโยนิโสมนัสิการความแยกไขในการสังเกตในการพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรสมควรกก่เราอะไรไม่สมควรกก่เราความแยบคายอันนี้สอนยากยังเคยได้ยินไหมคนเขาวิจารณ์ระบบการศึกษาของเราบอกสอนให้ให้เป็นนักจำใช่ไหมเป็นนักก๊อปปี้ไม่ได้สอนให้เป็นคนที่รู้จักคิดโยนิโสมนสิกาเนี่ยต้องรู้จักคิดแต่การคิดไม่ใช่คิดเลื่อยเจื้อคิดส่งเด็ดต้องคิดโดยมีหลักวิชา อย่างคนถ้ามาคิดอยู่ๆก็ไปคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพคิดเอาเองมั่วๆไปเรื่อยแล้วก็บอกนี่แหละทฤษฎีสัมพัทธภาพหาไขมานะเอามาใส่ตู้อบออกมาเป็นไก่ได้นี่แทฤษฎีสัมพัทธภาพไอ้คนไม่เคยรู้เลยก็เออสัมพัทธภาพนี่คือการฟักไข่นะ เ, เชื่ออย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมไปบ้าด้วยกันเรียนกะว่าตาบอดจูตาบอดก็ดไปได้นะงั้นการคิดพิจารณาต้องมีหลัก วิชารองรับถ้าเมื่อไรการคิดนั้นฉีกแนวออกจากคำสอนที่แท้ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่โยนโสมนัสิการเป็นความหลงผิดละนะงั้นก่อนที่เราจะเกิดโยนิโสมนานัสิการได้ต้องฟังธรรมต้องเรียนธรรมะต้องฟังต้องเรียนให้ได้โดยเฉพาะการเรียนนั้นต้องเรียนให้เห็นถึงตัวสภาวะแท้แทให้ได้ถ้าเรียนไม่ถึงตัวสภาวะนั้นะเรียนแต่ปริยัติเนี่ยปริยัติยังมีปัญหาอยู่ ปริยัติเนี่ยก็มีการตีความสังเกตไหมในสำนักปฏิบัติจำนวนมากเลยที่เรียนอภิธรรมแต่สำนักแต่ละแห่งปฏิบัติไม่เหมือนกันหรอกเพราะตีความแตกต่างกันนี่เป็นปัญหานะในทางตาราท่านเลยสอนครับปริยัติเนี่ยขัดเกลาวปฏิบัติปฏิบัติขัดเกลาวปริยัติมันหนุนมันเสริมกันนะถ้าเราไม่รู้หลักปริยัติเลยเวลาลงมือปฏิบัตินะมั่วสั่ว หรือบางทีปฏิบัติถูกไปนะสะสมบารมีมาพอปฏิบัติถูกแต่พูดไม่เป็นถ่ายทอดไม่ได้ถ่ายทอดออกมาแล้เพี้ยนออกไปคนละเรื่องเลยนะอธิบายไม่เป็นเรียกศัพท์ไม่ถูกนะขาดมาตรฐานกลางในการสื่อสารระหว่างชาวพูทธด้วยกันงั้นสํานักต่างๆเวลาคุยกันนะจะตีกันเพราะพูดกันคนละภาษาสํานักปฏิบัติเนะื่องั้นการที่เราศึกษาปริยัตนะเราได้รู้ภาษากลางบ้างนะอันนี้ยังดีใช้เป็นสื่อกลาง แล้วใช้ตรวจสอบการปฏิบัติได้ด้วยว่าปฏิบัตินอกรีดนอกรอยไหมเช่นเราได้ยินคําสอนบอกว่าจิตเที่ยงนะใครสอนว่าจิตไม่เที่ยงนี่สอนผิดจิตต้องเที่ยงเนี่ยถ้าเราเคยศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนคําสอนว่าจิตเที่ยงไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะนี่อันนี้ใช้ไม่ได้ไหมโยนิโสเนี่ยต้องฉลาดอย่างนี้นะต้องมีหลักวิชา เทียบกับคําสอยของพระพุทธเจ้าตลอดเลยนี่เขบอกว่าปริยัติน่ะขัดเกลาปฏิบัติได้หรือปริยัติสอนให้เรารู้ว่าพระอริยบุคคลแต่ละชั้นนั้นละกิเลสอะไรได้เราภาวนาเรานึกว่าเราเป็นพระอริยบุคคลเราก็สังเกตกิเลสนั่นแหละสังเกตกิเลสในใจนึกว่าเป็นพระโสดาแล้ววันหนึ่งกูโผล่ขึ้นมาอีกแล้วหรือกูมีหางไหวๆขึ้นมา มีหางงอกไม่ใช่ละวนึกว่าเป็นพระนาคารนะวันหนึ่งฉุนขึ้นมาแล้วความโกรธเนี้ยครอบเข้าถึงจิตนะอย่างนี้ไม่ใช่ล้นะไม่ใช่ละนึกว่าเป็นพระละหันนะแต่ยังกําหนดจิตอยู่ยังหมายจิตอยู่ยังรักษาจิตอยู่ไม่ได้ปล่อยวางจิตยังปล่อยวางขันไม่หมดไม่ใช่หรอกนะเนี้ยสังเกตกิเลส ถ้าเรารู้หลักปริยัติบ้างนะรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าบ้างเอามาตรวจสอบการปฏิบัติก็ได้เอามาชี้นําการปฏิบัติก็ได้หลวงพ่อตอนหัดปฏิบัติที่แรกนะปฏิบัติแบบที่ครูบาอาจารย์สอนนะ่ะทำลุย์ลูกเดียวเลยไม่ได้เรียนปริยัตินี่เป็นจุดอ่อนของหลวงพ่อสมัยแรกๆนะพอมาหลังๆเนี่ยมาบวชแล้วนะไปอ่านปริยัตินะแทบเขกหัวตัวเองเลยลตอนที่เรานึกว่ า, าทำมีปัสฉนาแนตะ่จริงทําสลับกันตลอดเลย นะสมถะกับวิปัสนาทำสลับกันไปเรือ่อยเราไม่รู้เราคีว่าทั้งหมดนี่แหละคือวิปัสนานะแยกไม่ออกเพราะแยกไม่ออกเนี่ยถ้าบุญพอก็ไม่เป็นไรนะถ้าบุญไม่พอเนี่ยตอนทำสมถะอยู่แล้ว เ, เกิดปรากฏการอะไรขึ้นจะคิดว่าเกิดมรรคผลขึ้นนะเกิดนิมิต ท, ทั้งหลายขึ้นถ้าเราเรียนปริยัตเรารู้ว่าตรงนี้แหละคือสมถะไม่ใช่การรู้รูปนามตามความเป็นจริงเป็นสมถะแล้วนะเราไม่รู้เราไปดูเพ่งจิตไว้นิ่งๆหรือเพ่งกายไว้นิ่งๆนี่สมถะ เพ่งไปเพ่งมาเกิดนิมิตขึ้นมาเนี่เห็นโลกประธาแตกสลายว่างเปล่าไปหมดเป็นแสงสว่างหายวับไปหมดเลยนึกว่าบรรลุมรรคผลขนาดนั้นกําลังทําสมถะอยู่สิ่งที่เกิดคือนิมิตนะ่ะนี่ถ้ารู้หลักนะมันมันชี้นําการปฏิบัติได้นี่การปฏิบัตินั่นก็ขัดกล่าวปริยัตอย่างที่หลวงพ่อเล่าตะเกียวนักปริยัตแต่ละสํานักลงมือปฏิบัติแล้วไม่เคยเหมือนกันเลย นะแล้วไม่ลงกันด้วยลงกันไม่ได้แต่แต่ละคนเนี่ยเลฟเฟรนได้รีเฟ อ, อ้างได้อ้างอิงได้เลยอ้างคำภีได้คนละช็อตช็อนะบางทีอ้างคำภนะีเล่มเดียวกันบทเดียวกันนะแต่เขาตีความไม่เหมือนกันถ้าเขาไม่เคยเห็นสภาวะแท้ๆนะเขาก็ตีความไปตามความคิดนะงั้นถ้าเราหัดภาวนาเราเห็นสภาวะนะแล้วเราศึกษาปริยัตด้วยมันลงกันพอดีเป๊ะเลยนะอย่างปริยัตบางอย่างก็คิดขึ้นมา นักปราชถนคิดขึ้นมาไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะบางอย่างไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าจริงอย่างตําราชั้นหลังๆนะไปเขียนนะโลกนี้แบนนะเราอย่าไปดูถูกพวกศาสนาคริสต์ว่าสอนว่าโลกแบนนะชาวพุทธก็มีเหมือนกันทฤษฎีโลกแบนแต่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนเรื่องพวกนี้นะเพราะไม่มีประโยชน์อะไรอย่างโลกมีเป็นชั้นๆนะเหมือนขนมชั้นเลยทฤษฎีโลก แต่และชั้นแต่และชั้นชั้นนี้หนาเท่านี้ชั้นนี้หนาเท่านี้หรืออย่างสอนบอกว่าหัยวัตถุอยู่ในหัวใจคือน้ําเลี้ยงหัวใจผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจแล้วทําไงอะ่ะไม่มีหัวใจเก่าแล้วหัยรูปหายไปละไปเอาหัตถยรูปคนอื่นมาใช้แล้วทำไมความรู้สึกไม่เปลี่ยนอะ่ะมันอธิบายไม่ได้แต่ถ้าเราภาวนาเราจะรู้เลยว่าจุดที่เกิดของนามธรรมา ท, ทั้งหลายเนี่ยตรงนั้นแหะคือหัยวัตถุ หัยะเนี่ยเป็นหลงภาษาไปแปลหัตยะว่าหัวใจหัตยะว่าถั่วเลยคิดว่ามันอยู่ในหัวใจใไหมโดยภาษาเนี่ยนักปริยัติบางที่เป๋นะแต่พวกเรานักปฏิบัติเรารู้ไหมความสุขความทุกข์ผุดขึ้นตรงไหนความสุขความทุกข์ทางใจผุดขึ้นที่ไหนดูออกไหมเราดูออกไหมว่าโลภโกรดหลงผุดขึ้นตรงไหนผุดขึ้นตรงกลางผุดขึ้นตรงกลางกลางนั่นแหละคือคือใจและ เคยได้ยินคําว่าใจกลางไหมขึ้นมาจากกลางกลางจริงๆขึ้นมาจากหัตยะจริงๆนะหัยะวัตถุจริงๆในอภิในอริธรรมมีคําว่าหัตยะวัตถุในพระไตรปิฎกใช้คําว่าหัตยะใจนะไม่ได้พูดคําว่าหัยะวัตถุบ้างรู้สึกจะใช้หัตยะนะไม่ใช่หาทัยทิพหัยะเฉย ดังการเรียนนะการปฏิบัตินะมันตรวจสอบซึ่งกันและกันได้เราปฏิบัติเรียนให้เห็นสภาวะแท้แท้แล้วเสร็จแล้วเราจะตรวจสอบตัวเองมาพิจารณาได้เลยสิ่งที่เราทําอยู่นี้ถูกไม่ถูกเช่นเรานั่งสมาธิแล้วจิตเราโล่งว่างไปไม่มีอะไรเลยว่างหมดเลยแล้วเราก็อยู่กับความว่างนี่แหละตลอดเลยถามว่าถ้าเราศึกษาปริยัติมาพอสมควร เราจะอยู่ตรงนี้มันก็คิดว่าการที่น้อมใจไปอยู่ในความว่างเฉยๆจะบรรลุมรรคผลได้ไหมไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้รู้ว่างใช่ไหมเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาอย่างนี้ถึงจะเรียกโยนิโสนะถ้าไม่โยนิโสนะก็ไปคิดเอาเองเช่นโอ้พระละหันนะไม่ยึดอะไรเลยเราะั้นถ้าเราทําใจให้ไม่ยึดอะไรเลยได้ก็เป็นพระละหาันนั่นน้อมใจให้ว่างไม่ยึดอะไรเลยเราไม่ได้ศึกษา พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมักอย่างนั้นต้องเดินมักต้องทําเหตุไม่ใช่ไปเอาผลผลมันเกิดจากการทําเหตุที่ถูกต้องถ้าไปก๊อปปี้ผลนะไม่ใช่ของจริงดัง้นเราต้องรู้หลักเหมือนกันนะต้องรู้หลักอย่างเวลาที่หลวงพ่อสอนพวกเราสังเกตไหมหลวงพ่อจะพยายามแทรกหลักแทรกหลักหลักทําลงไปนะแล้วให้พวกเราไปดูสภาวะเอาอย่างนี้เราจะทําโยนิโสมนานสิการไดนะ้หรืออย่างถ้าเราเคยรู้หลัก รู้หลักอริธรรมบอกว่าการเห็นธรรมวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนาคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามถ้าเราการนั่งพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเห็นร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะเป็นวิปัสสนามไหมไม่เป็นพูดได้เลยว่าไม่เป็นนะแต่บางที่เขาสอนว่าเป็นเห็นาตอนที่ครูบาอาจารย์บางท่านปฏิบัติมาท่านผ่านมาทางนี้ ท่านทําสมถะมาก่อนคือพิณากายพิณาเป็นตฏิกรูปสุภะร็จแล้วท่านไปเดินวิปัสสนานะแต่ท่านแยกไม่ได้ว่าตรงไหนสมถะตรงไหนวิปัสสนานะเวลาปฏิบัติก็ทําเป็นแพ็กเกจรวมๆ ม, มาอย่างนี้นเวลาสอนสอ น, สอนทั้งแพ็กเกจอย่างนี้นหลวงพ่อก็เป็นไปก่อนดูจิตนะพอเรามาดูจิตนะมันเดินปัญญาไปเรื่อยนะเห็นเกิดดับไปเรื่อยวันหนึ่งหลวงปู่ดุลบอกว่ามันเข้าสมาธิหลวงพ่อไปเถียงท่านผมไม่ได้เข้าสมาธินะผมดูจิตเห็นจิตทํางานอยู่เรื่อยๆนะ ท่านบอกมันพลิกไปพลิกมานะเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านแน่จริงๆท่านท่านบอกเลยนะช่วงนี้มันพลิกเป็นสมถะช่วงนี้มันเดินมิปัสสนานะงั้นถ้าเรารู้หลักเราก็รู้เลยตอนนี้จิตเป็นสมถะอยู่แล้วถ้าเกิดอาการแปลกๆตอนสมถะนะนิมิตถ้าเดินมิปัสสนาอยู่เกิดอาการแปลกๆขึ้นมามีปัสณู <laughs> อย่าเพิ่งสรุปว่ามรรคผลนะ <laughs> เร็วเกินไปเกิดอาการแปลกๆแล้วโอ้วบรรลุมรรคผลแล้วน สรุปไปก่อนมีปัจจานุแล้วมาตรวจสอบกิเลสในตําราก็สอนนะว่าพอบรรลุเป็นโสดาสกทาคาอนาคาพระอรหันต์นะัจะมียานอยู่ตัวหนึ่งชื่อปัจจเวกขนายานปัจจเวกขณะยานนี่เป็นการเข้าไปทบทวนดูว่ากิเลสอะไรล้างแล้วกิเลสอะไรยังอยู่เพนะงั้นเราก็ต้องมาดูกิเลสเห็นไหมพระพุทธเจ้าทิ้งหลักไว้ให้เราเห็นไม้มในตํารากอภิธรรมก็ทิ้งหลักการตรวจสอบตัวเองไว้ให้เรา ถ้าเราแยบคายเราต้องคอยสังเกตอย่าเพิ่งไปเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์อย่าเพิ่งไปเชื่อว่าได้โสดานะอาจจะวิปัสสนูก็ได้แล้วส่วนใหญ่ก็วิปัสสนุจรงิงๆด้วย<ง ứng acts>แล้วทําวิปนะัสสนาจะเจอวิปัสสนุแล้วทสมถะจะเจอนิมิตนะนิมิตก็มีทุกอย่างนะง <ứng> นิมิตที่เป็นรูปก็มีนิมิตที่เป็นเสียงก็มีที่เป็นกลิ่นก็มีที่เป็นรสก็มีที่เป็นสัมผัสทางกายก็มีนะนิมิตมที่เกิดทางใจก็มี นิมิต ท, ทางกายอย่างเรานั่งสมาธิอยู่เราปวดเราเมื่อยมากๆนะมีความรู้สึกเหมือนคนมานวดให้นะดูลงไปที่ขานะเห็นบุ๋มลงไปเลยนะเห็นเป็นรอยนิ้วนวดเลยนวดนโอ้กูนี่บุญเยอะเว้ยนั่งสมาธิเมื่อยแล้วเทวดานวดนะนิมิตจริงหรือนิมิตปลอมก็นิมิตนั่นแหละนะถ้ากูเก่งเมื่อไหร่ก็กิเลสแทรกเมื่อนั่นแหละนะให้คอยรู้ไปเลยรู้เข้าไปเลย ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะอะไรเกิดขึ้นนะย้อนกลับมารู้ทันใจตัวเองไปถ้าเป็นนิมิตแปลกปลอมมันจะหายไปเลยนิมิตเป็นกลิ่นก็มีนั่งๆั่งอยู่ก็ได้กลิ่นหอมนั่งๆ่งอยู่ได้กลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยนิมิตทางใจก็มีเป็นความรู้สึกนะเกิดความรับรู้ทางใจเห็นโน้นเห็นนี่อะไรขึ้นมานานาชนิดเลยเราะั้นถ้าเราทําสมถะอยู่นะคือการฝึกจิตให้แน่วอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วเกิดอะไรขึ้นมาก็คือนิมิตนั่นแหละ ถ้าเราเดินวิปัสนาอยู่เห็นความเกิดดับของรูปนามอยู่นะแล้วจิตไม่ถึงฐานอยู่ตรงนี้นะจิตไม่ถึงฐานจิตเคลื่อนนิดเดียวเท่านั้ น, นวิปัสนูไปกินง่ายๆเลยวิปัสนูเกิดตอนจิตไม่ถึงฐา น, นเพราะงั้นวิปัสนูมีชื่อเพราะๆอีกชื่อหนึ่งว่ธรรมมุทัต จ, จักธรร ม, มะอุทัต จ, จักจริงๆเป็นความฟุ้งของจิตจิตมันไม่ตั้งมั่นสมาธิไม่พอะจิตมันเคลื่อนไปสมัยหลวงพ่อเรียนกับหลวงปู่เทศท์นะหลวงปู่เทศพูดเลยว่า ว่าวิปัสสนูเพราะสมาธิมันไม่พอนี่ท่านพูดมาจากการปฏิบัตินะเราฟังท่านจริงเหรอวิปัสสนูเกิดจากสมาธิมไม่พอก็ามาอ่านพระใจปิดบกถึงเจอพระนนท์ท่านบอกว่าธรรมสิทประการเป็นความฟุ้งซ่านสิทธิปการนี่ธรรมมุททจะนี่ตัววิปัสสนูนั่นเองแล้วท่านบอกไว้ด้วยซ้ําไปว่าถ้าจิตตั้งมั่นเข้ามาก็าหายจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็าหายได้ นันที่หลวงพ่อจําชีจำชัยทุกวันไม่ออกไหมจิตต้องถึงฐานต้องหัดดูสภาวะที่จิตถึงฐานจริงๆเป็นยังไงจิตจะตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวซื่อตรงในการรู้อารมณ์รู้แล้วไม่ไหลไปรู้รู้อยู่ห่างๆรูห àng, ห àng, ห àng, ้สบายๆห่างๆโดยไม่ได้เจตนาให้ห่างด้วยนะถ้ายังมีความแข็งแข็งเจืออยู่นะยังไม่ใช่นะไปสังเกตเอานะแต่หัดใหม่ๆหัดมา3ามวันฝึกได้แค่นี้ก็เก่งแล้วละ อาเก่นะอาเชิญไปทานข้าวนิมนเลยครับนิมน